ก็เช่นเดียวกันในขณะนี้กําลังโตะแสวงหานั้นนะ่ะมืดบอดวกวนอยู่นเะมื่อเรารู้เราเห็นแล้ว เ, เข้าใจเราถึงแล้วเราก็ไม่ต้องไปรอใครคอยใครไม่ต้องไปศึกษาอะไรให้มากศึกษาที่ตัวเรานี่เองนะศึกษาที่ตัวเราไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องใดทั้งหมดพันไตปิดกทั้งสามปีดกก็เอาตัวเราออกไปพูดอยู่ข้างนอกคนก็เลยไปติดข้างนอก ก็เลยไม่ได้มาดูข้างในเมื่อเรามาดูข้างในแล้วสภาพหรือภาวะของควมคิดนั้นเหมือนกันผู้หญิงก็คิดได้กูชายก็คิดได้พระสงฆ์องค์เจ้าก็คิดได้คนไทยก็คิดได้คนจีนก็คิดได้ใครๆคิดได้ทั้งนั้นเนี่ยเป็อย่างนั้นถึงที่สุดนั่นแหละเดี๋ยว่าตายตายจริงๆอาจจะมาเคยพูดให้ฟังวะเหมือนกันกับฟิวไฟฟ้าเมื่อมันข่าตัวจังตุบแล้วมันมันไม่ติดกันเลย ก็ต้องหาสร้างมาทําให้เอกอย่างนั้นหรือจะพูดอาจจะมาเคยพูดว่าเอาเสื้อในร้อยพูกไปหลักนี้ต้นหนึ่งและพูกหลักนั้นเส้นหนึ่งเรามาตัดตรงกลางปุ๊บเสื้อมันตึงมันก็แเด็งเข้ามาทางนี้เลยอาจจะมาเคยพูดแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเราเคยเลี้ยงเด็กเอามือไปแตะกับพวกหรือก้อนเด็กเด็กมันแดงแดงพอเดีมือเราไปแตะมันจืดมันมันขาวไปหมดเลยอันนี้ก็เช่นเดียวกัน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 พอดีเข้าถึงจุดนี้ปลุกตายทันทีเลยแต่ความตายอันนั้นไม่ใช่ว่าตายหมดลมหายใจแต่ความทุกข์มันหมดไปว า, างนี้ก็ได้คนไม่มีทุกข์อยู่ที่ไหนก็ไม่มีตัวไม่มีตนคือคนไม่มีมีแต่พระลนล้วนอยู่ภายในใจิตใจแปลว่าถึงสภาพหรืภาวะสิ่งนั้นเนีทีดียวถึงที่สุดถึงธรรมะอย่างแน่นอนจะไม่เปลี่ยนแปลงตอนเข้าถึงตอนนี้ไม่ต้องไหว้วนใครทั้งหมด ทำเองรู้เองเห็นเองเข้าใจเองแต่ทําให้เหมือนกันกันกบพระพุทธเจ้าท่นจึงว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นตถาคตเมื่อทําอย่างพระองค์นะเมื่อไม่ทําอย่างพระองค์แล้วก็ไม่มีโอกาสไม่มีเวลาเราไปกราบพระพุทธรูปนั่นก็ไม่ใช่เป็นการปฏิบัติธรรมอย่างพระพุทธเจ้าเราให้ทานเรารักษาศีลนั่นก็ดีนั่นไม่ใช่ไม่ดีอันนั้นเป็นเพียงศีลธรรมศ า, าสนาศีลธรรมเป็นวัฒนธรรม อัันนน้แต่ไม่ใช่เป็นการปฏิบัติธรรมเพื่อให้ถึงธรรมถ้าปฏิบัติธรรมจริงๆแล้วให้ถึงธรรมจริงๆเราต้องปฏิบัติที่ตัวเราให้เข้าถึงตัวเราเมื่อถึงที่สุดแล้วเราจะไม่เก้อเขินไม่ต้องไหว้วอนใครทั้งหมดเลยรับรองว่าพระพุทธเจ้าสอนของจริงเรียกว่าสัจธรรมไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปรผันมีอยู่ในจิตใจของคนทุกคนทําความรู้สึกตัวให้มาก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 ก็ต้องรู้ตามกฎของธรรมชาติมันนั่นเองดังนั้นการปฏิบัติแบบนี้จึงมีวิธีคลไกลและเทคนิคในจังหวะทาเป็นจังหวะเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็ให้รู้เส้นพลิปตาเลือดใต้และหัวพอให้รู้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 ไม่หรอกเข้ายาวออกยาวเข้าสั้นออกสั้นลมหยาบลมละเอียดไม่ต้องนึกถึงเพียงแต่ให้รู้ก พ, พอใช้ได้จึงเป็นหน้าที่ทุกคนทำได้ดีกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมไปกับงานทุกวิธีทีเดียวอันนี้ดังนั้นสิ่งที่พูดนี่คนอื่นมองเห็นเส้นพิกมือขึื่น ก่มมือลงยกมือไปเอามือมาเดินหน้าถอยหลังเอียงซ้ายเอียงขวาก้มเลยเหล่านี้ยากคนอื่นมองเห็นได้อย่างถนัดหรือไกลๆก็มองเห็นอย่างละเอียดเข้ามาคือพิษตาพิษตาเหลือซ้ายแลขวาละเอียดเข้ามาแต่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 นี่เป็นการทานอย่างสูงสุดดังนั้นการทานธรรมะจึงเป็นการสนะทานทั้งปวงการทานวัตถุสิ่งของมันเป็นวัตถุมาหยิบยื่นให้กันได้ง่ายๆแต่การทานโทสะโมหะโลภะนี่เป็นการทานได้ยากถ้าหากไม่เข้าใจจริงๆแล้วจะทานไม่ได้เสียเลย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 มีโยมเป็นเพื่อนกันสนิทมีนาะยห้อยขอมมกคนหนึ่งไปปฏิบัติธรรมะด้วยกันแต่รู้ไม่เหมือนกันเพราะตัวของผมนึกตัวของจามานี่ในขณะนั้นเป็นโยมแต่ไม่ได้ทําอย่างที่เพื่อนๆพื่อทําจริงๆไม่ต้องพูดไม่ต้องคุณใคทั้งหมดเลยเราจะได้พูดไปคุยกันมันไม่ได้เรื่องนายห้อยขโมกเนี่ยอยากไปเยี่ยมเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาแล้วก็หายตัวไปสัก เราเออกไปเดินจมกลมหรือไปนั่งสร้างจังหวะอยู่ที่อื่นครับเมื่อเข้ามาพบหน้าพบตากันแมันคุยกันคุยมาตั้งแต่ตัวเล็กๆจนเท่าจนแก่จนตายไม่เคยรู้ว่าความคุยนั้นความพูดกันนั้นมันเป็นสิ่งที่ขัดขวางไม่ให้เรากลับเข้ามามองตัวเราไม่ให้เราเข้ามามองจิตใจเรามันเลยไปมองคนนั้นมองคนนี้นี่มันเป็นอย่างไง ดัง น, นั้นพวกเราวันนี้มาตั้งต้นเรื่องการเดินทางของพวกเราพูดกันจริงๆแล้วก็ทํากันจริงๆก็มีครบาอาจารย์หลายท่านจะมาให้ข้อคิดมาประครบประของเรื่องการประพฤติปฏิบัติให้รู้แจ้งเห็นจริงรู้ยิ่เห็นจริงตามความเป็นจริงความรู้นั้นมีอยู่สี่ระดับด้วยกันรู้จำรู้จักอันนั้นไม่ใช่ป็นความรู้ของเรา รู้จำมาจากพ่อแม่ครูบาจารย์หรือตำลักําลาอันนั้นไม่ใช่ถึงคนลูกของเรารู้เท่าใดแก้ทุกไม่ได้แต่ว่ารู้จำรู้จักรู้แจ้งรู้จริงนั้นรู้น้อยก็ตามแก้ปัญหาตัวเองได้จริงๆเรื่องนี้การปฏิบัติให้ถึงที่สุดของทุกนั้นไม่หยาในตําราพูดเอาไว้มีอยู่ในหลักสูตรนักธรรมสัจเอกแต่ตัวของผมหรือตัวของตมา ไม่ได้เรียนนักธรรมเอกจะ่ไปอ่านเจอเอาอยู่ในธรม ร, ธรมวิจารณ์ธรรมวิจารณ์เป็นหนังสือคู่มือหลักสูตรนักธรรมเส้นเอกว่าผู้จเจริญสติปัฏฐานสี่ให้ติดต่อกันเหมือนลูกโซ่อย่างนานเจ็ดปีอย่างกลางเจ็ดเดือนอย่างเร็วหนึ่งวันถึงเจ็ดวันหรือสิบห้าวันอานนีงสองนั้นมี2สองประการนีงจะได้เป็นพระอรหันในปัจจุบันพบนี้ ถ้าไม่ได้เป็นพระอรหันในปัจจุบันพบนี้สองเป็นพระอนาคามีว่าอย่างแต่เราไม่ต้องเป็นอะไรทั้งหมดเลยเราจะมาแก้ปัญหารลวงไม่มีหุบพระนักขอแล้วที่ได้ให้ข้อคิดเป็นเครื่องเตือนจิตสกิจใจวันนี้ก็เห็นว่าพอเหมาะพอดีกับพวกเราที่จะมา ป, ปฏิบัติจัตั้งจิตตั้งใจลงทำกันจริ ง, รงๆผลของมันนั้นจะได้รับเท่าที่ผู้ มีศรัทธาพระหารหรือผู้ที่มีศรัทธาพอสมควรหรือที่สุดมากับเพื่อนสเศษๆก็มีจะได้รับเท่าที่เราทํานั่นแหละเมื่อได้ฟังการปลุกจิตปลกใจก็ต้องตั้งจิตตั้งใจแข็งแขรงแท้งเวลากันให้เราตั้งใจทุกคนไม่ต้องพูดไม่ต้องคุยกันถ้าตั้งใจทําแล้วจะมีครูบาอาจารย์คอยแนะนําเมื่อเกิดคนคิดต่างๆขึ้นมาครูบาอาจารย์ต้องเข้าไปแก้ไขปัญหา เมื่ออายุ46ปีได้เจริญสติอย่างที่ไม่เคยมีไม่เคยรู้มาวิธีตรงนี้ก็มาทํ า, ทา ว, วิธีการเคลื่อนไหววิธีการเคลื่อนไหวหนอกมีควาเตะฐานอีกเหมือนกันนอนแล้วทําทำแล้วนอนมันมีควาไม่พอใจในวันนั้นที่ไปขอกรรมฐ า, านจากหลวงพ่อวันทองคือหลวงพ่อวันทองเป็นผู้ให้กรรมฐ า, านมันมีโค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 ไม่ไม่ตั้งจิตตั้งใจเหมือนเดิมนะแต่ก่อนนั้นคืออยากมีฤทธิ์อยากมีเดชอยากเป็นผู้มีซื้อเสียงเกียรติยศอะไรต่างๆคิดอย่างนั้นตั้งตั้งตัวขึ้นมาคราวนี้คือไม่ต้องการอยากมีซื้อมีเสียงอะไรทั้งนั้นอยากรู้อยากเข้าใจว่า พ, พระพุทธเจ้ารู้เรื่องอะไรเห็นเรื่องอะไร อยากรู้ตามแบบแผนที่พระพุทธเจ้าเคยรู้มาตั้งควาคิดขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็จะทำอย่างนี้ถ้าไม่รู้อย่างนี้รู้อย่างอื่นไม่เอาคิดในใจแต่ไม่ได้พูดออกมาเป็นเสียงแต่มนคิดในใจไว้อย่างนั้นทำเดินจงกรมนั่งนั่งเครียดทำการเคลื่อนไหวบ้าง ทำไปจนสว่างขึ้นมาไม่รู้อะไรเลยวันนั้นทำทั้งวันตกเย็นเย็นกัดไปอาดน้ำอาดน้ำมาแล้วก็ต้องมาทำเหมือนเดิมจนหิวนอนหิวนอนก่อนนอนนอนประมาณจากสองสามสัโมงอย่างมากตื่นขึ้นมาก็ทำทำจริงจริง ไม่ให้มีว่างลุกเคล่อนก็ให้มีความรู้สึกนั่งลงมีความรู้สึกเคลื่อนไหววิธีใดก็ตามให้มีความรู้สึกความตื่นตัวอยู่เสมอวิธีอย่างนี้ถ้าปฏิบัติจริงๆนั้นเรียวกว่าวิธีอุปเกตวิธีอุปเกตคือไม่ให้เผยตัวนี่เองเราต้องมีสติคอยติดตามการเคลื่อนไหวทุกอิริยาบถ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 ผู้เหยียดเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็ตามท่านสอนท่านพูดให้ฟังอย่างนี้พอแม่ยาจายาเน้โควาจานก็อสอนอย่างนี้แต่มองสภาพดูแล้วไม่เคยทําตัวผู้สอนทําไม่เป็นแต่สอนคนอื่นแล้วคนอื่นจะทําเป็นได้ไหมทําเป็นได้ายากดังนั้นอยากให้พวกเราเนี่ยทําให้เป็น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 ที่ว่าเป็นพระพุทธเจ้าดังนั้นคำว่าพระพุทธเจ้านั้นมันมีอยู่ในเราคือจิตใจที่สะอาดจิตใจที่สว่างจิตใจที่สมุทนันแหละคำว่าจิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบนือนจะคล้ายๆคือสิวิชิวิของทุกคนนั่นแหละมันสะอาดมันสว่างมันสงบอยู่แล้วไม่มีความทุกข์ไม่มีความเดือดร้อนไม่มีควา ม, ม ว, วุ่นวาย มันมีอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาคนเราจึงมันไม่ตายเร็วเพราะมันชีวิตหรืจิตใจสอาดตล่ามสงบนี่เองถ้าชีวิตหรืจิตใจสกปรกตลอดเวลามาคนเราจะตายทันทีเพราะมันมีความพุทมันมีควมเดือดน้อนมันจึงสกปรกความสกปรกเป็นมูลทินุหรือเป็นอะไรที่เราพูดกันมานั้นมันมากดังนั้นคำว่าสะอาดนี้คือไม่มีอะไรจะไปแปะเตื้นมันได้ จึงมันจะโกรธขึ้นมามันก็ไม่ได้สปกปรกความสขปรกนั้นมันเป็นค้าบางจากสุกหรือเมฆบางดวงตาเราให้เรามองเห็นทองฟ้าได้ให้เข้าใจอย่างนี้ถ้าหากผู้ใดสนใจในวิธีนี้หรือปฏิบัติเข้าจะหาพระพทเจ้านั้นไม่อยากงับรองตัวของข้าพเจ้าหรือตัวของผมเนี่ยเคยรับรองบ่อย ไปที่ไหนเคยยืนยันเอาไว้ว่าถ้าจเจริญสติแบบนี้แหละอย่างนานไม่เกินสามปีอย่างกลางหนึ่งปีอย่างเร็วที่สุดนับตั้งแต่หนึ่งวันถึงเก้าสิบวันอันนี้สงไม่ต้องพูดเลยไม่ต้องพูดอันนี้สงของการจเจริญสติแบบนี้มันจะไม่ลืมตัวไม่ลืมตัวจริงๆนี่ยคำภาษาบ้านของ พื้นบ้านของเราลืมตัวทางธรรมะหรือโมหะเข้าครอบงมจิตใจเข้าครอบงมชีวิตหรือโมหะบรนี้ภาษาพื้นบ้านของเราลืมตัวไม่ตื่นตัวตื่นใจเอาตัวไปที่ไหนหัวจิตใจไปที่ไหนไม่รู้อันนี้แหลืหน้าสงสารเพื่อนมนุษย์ด้วยกันจะเป็นชนชาติไหมภาษาใดก็ตามปล่อยตัวปล่อยใจไป บางคนอายุถึงแปดสิบปีหรือร้อยปีตายไปเลยไม่เคยดูจิตดูใจตัวเองเลยมันคิดเรื่องอะไรไม่รู้เข้าไปในคนคิดนึกปกะปรุงแต่งเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเรียกว่าเป็นปฏิจจสมุปบาทว่าอย่างนั้นเพราะอวิชานีเองธรรมอวิชาเพราะผมไม่รู้แต่ไม่ใช่อย่างนั้นคืออวิชาเป็นคนรู้ที่ผิดไม่เคยดูจิตตัวใจนี่เอง อภิชาหมายถึงบุคคลที่ไม่รู้ชีวิตไม่รู้จิตใจแต่การทำมาหากินเรียนหนังสือหาเงินนั้นมันเป็นเรื่องวิชาของโลกโลกหรือใครใครก็ทำได้ดังนั้นที่พูดในวันนี้พูดเพื่อคนจริงใจว่าเรามาปฏิบัติธรรมส่วระยะเวลาสองสามวันที่นี้กพ่ศึกษาปฏิบัติธรรมหรือเพื่อนญาต ปฏิธรรมเมนิธิต่างๆหรือใครที่ไหนก็ตามมีความคิดว่าจะปฏิบัติธรรมเพื่อทำลายความเมืองผิดรับรองว่าถ้าทำจริงๆแล้วไม่นานเคยสอนมาแล้วเรื่องนี้จึงรับรองคำพูดของตัวเองได้รับลองพระพุทธเจ้าได้พระพุทธสอนเรื่องนี้จริงๆรัดลองร้อยตัวสิ็ไม่ผา จเนน่เป็นคนแท้ไหนถือศาสนาใดก็ตามเป็นคนรวยก็ตามเป็นคนจนก็ตามเรียนหนังสือได้ปรญญาเอกหลายขแขงก็ตามรู้เขียนหนังสือไม่เป็นก็ตามปฏิบัติต้องรู้ถ้าปฏิบัติจริงนะถ้าไม่จริงก็รู้ไม่จริง